อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นํารายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เรามีรายการธรรมรับอรุณเสนอธรรมดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกวันเลยนะคะเริ่มตั้งแต่เปิดสถานีคือเวลาในตีห้ถึงห้าครึ่งนะคะสําหรับในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็เป็นที่รู้กันนะคะสำหรับ ท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมรับอรุณก็คงจะทราบกันดีว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านเองจะได้มีโอกาสทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่จะมาสนทนาธรรมะหรือว่าสนทนาธรรมหรือภาษาบาลีก็เรียกว่าภาษากระากับพระอาจารย์ไตรบุญอภิปุนโนซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการของหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลดอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัอดอุดรธานีนะคะ ซึ่งการทํารายการของเรานั้นก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่ อ, พอดอรสะอาดที่โทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกท่านก็ให้ความเมตตาที่จะสนับสนุนและในบางคราวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่ อ, พอดอรสะอาดท่านว่างก็จะมาสาักการ่วมกันด้วยนะคะสําหรับในเช้าวันนี้ที่เราพบกันนะคะเป็นเช้าวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนค่ะเป็นวันขึ้นสิบค่๊า เดือน12นะค ะ, ะปีถอค่ะก็คิดว่าจะข อ, อนามท่านฟังทางบ้านทุกท่านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พบูญอภิปุณโธกันพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็จะได้สนทนาธรรมดีๆให้ผู้ฟังได้รับฟังเป็นความสุขเป็นความสบายใจแล้วก็เป็นมงคลกันในเช้าวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนกันค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์พบลเจ้าขาเทีนพานสาธเจ้าค่ะ สำหรับในวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนนี้นะเจ้าคะโยมคิดว่าอยากจะข อ, อะกราบนัมัจรการแล้วก็กราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบุญได้ไม่ตามสาสตากัะฉาเกี่ยวกับเรื่องที่ทางหลังจากที่เราเออกอากาศรายการธรรมาระบรุญไปนะเจ้าคะแล้วก็มีการอบอกบุญต่างๆหรือว่าเรียกว่าได้มีหัวข้อสนทนาดีๆในเรื่องของธรรมะนั้นก็ปรากฏว่ามีญาติโยมจานวนมากจาก ทุกจังหวัดเกือบจะทั่วประเทศนะเจ้าค่ะตอนด้านดุลเดินทางไปจนกระทั่งไปถึงวัดป่าดอนหายโศกว่าเจ้าค่ะยมก็เลยอยากจะขอหยิบยกเรื่องนี้มาให้พระอาจารย์ได้สักกาะฉาหรือเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทราบสักนิดนึงเถิเจ้าค่ะว่าอภรดาท่านที่เดินทางด้านดุลมายมทราบว่ามีทักจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเรานะเจ้าค่ะว่ามีใครบ้างที่มาที่พระอาจารย์พอจําได้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะก็มีท่านผู้ฟังที่พอฟังรายการจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเนี่ย ทางภาคภาษาไทยภาคภาษาอังกฤษแล้วก็รายการที่ออกทางกรุงเทพด้วยเนี่ยนะเรายังมีส่วนของรายการภาคออนไลน์คือที่เพียวธรรมะ .com เนี่ยก็มีรายการพอดแคสต์อีกรายการหนึ่งก็มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านมาจากทางหลายๆจังหวัดอย่างเมื่อในช่วงกระถินที่ผ่านมาก็มีคุณเมชีจันทิปจากอุตรดิตถ์นะก็ตามเสียงของรายการธรรมราบรุนเนี่ยมาที่วัปะะา่าดอนไโศก แล้วก็มีท่านผู้ฟังคุณจิราจิรพรมาจากทางปทุมธานีแล้วก็ยังมีท่านผู้ฟังที่มาจากต่างประเทศก็มีประเทศอเมริกาก็มาคนหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเนี่ยถ้าจะได้ฟังรายการมาที่วัดป่าอนัยโศกก็คิดว่าไม่ได้ยากเย็นอะไรมากอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเท่านั้นเองแลวังจาก็อยู่ที่วัดนี้ก็มีกิจกรรมในการริเร้นปฏิบัติอยู่เป็นประจํา ในเรื่องการที่จะมาวัดหรือว่าท่านที่ได้ฟังเสียงทางรายการวิทยุก็ดีหรือว่าอ่านข้อมูลจากทางอินเทอร์เนต็ตเนี่ยได้ฟังแล้วถ้าจะพิจารณามาวัดอาจจะมาจึงมีประเด็นตรงนี้ที่จ ะ, ะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงคุณเตือนใจด้วยน ะ, ะก็คือว่าเจ้าค่ะถ้าเผื่อว่าเราเราฟังเสียงเนี่ยเรก็แหมยินดีในเสียงก็เรียกว่าโอ้เสียงท่าน โอ้โไพเราะเหลือเกินเสียงนุ่มเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะคือนี่เป็นเรื่องของเสียงเสียงเนี่ยมันเข้าหูแล้วเนี่ยถ้าเรายินดีในเสียงอันนี้คือกามก็ไก่สระอามอมา้านั่เป็นความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่ยังเป็นกาม ร, รมณ์เป็นกามคุณคือเสียงทีนี้ว่าเหตุปัจจัยที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยควรจะสรนเสริญพระสงฆ์นี่พระเจ้าสอนไว้พระสงฆ์เนี่ยควรจะสรนเสริญในลักษณะที่ว่าเออคนนี้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะี่ยควรสรรเสริญอย่างนี้สรรเสริญในข้อปฏิบัติของท่านนะถ้าเราจะไปสรรเสริญในการที่ท่านรูปงามในการที่ท่านเสียงเพราะในการที่ท่านมีเหตุปัจจัยเรื่องตาหูจ ม, มูกลิ้นกายเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เป็นกรมาคุณนะอันนี้ดาราทั่วไปเขาก็มีกันนะคุณตนใจดาราทั่วไปสวยๆลอหล่ อ, อนักร้องบางคนนะโอ้โหเสียงนี่หนักแน่นแล้วก็นุ่มลึกก็มีนะเสียงเพราะก็าอาตมาอีก เดีคแต่ว่าวพระสงฆ์เนี่ยนะพระรูปเจ้าให้ยกย่องในเรื่องอะไรยกย่องในเรื่องการปฏิบัติของท่านนการที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติดีอะไรปฏิบัติดีโอ้ก็นี่ไงมีศีลไงมีศีลมีสมาธิขวนขวายน้อยสันโดษในบริการแห่งชีวิตนะรับประทานมือเดียวพวกนี้เป็นสิ่งที่ควรยกย่องในตัวบุคคลบุคคล น, นั้นถ้าท่านผู้นั้นมีสมมุติถ้าอาจจะมาะกินวันละหลายหลายมื้อกินวันละสามมือ้อเนี่ยอย่ามายกย่องเราด้วยเหตุนี้ นะถ้าอาตมามีเสียงไพเราะนะมีรูปงามมีความรู้ความเรียนนักอย่ามายกร่องเราด้วยข้อมูลนี้นะควรจะยกร่องเราด้วยความที่เรามีเสียอันนี้เราจะพอใจนะแต่ถ้ามายกย่องเราด้วยความที่เหตุปัจเจเนเหมือนอย่างชาวบ้านนะอย่างเงี้ยอาตมาสู้เสียงนักร้องหลายๆคนก็ไม่ไดนะ้ตัวเราก็หล่อไม่เท่ากับดาราหลายๆคนแล้วก็แต่เรื่องของการปฏิบัติ ศีลเป็นอย่างนี้เราทําสมาธิเป็นอย่างนี้เราปฏิบัตินะปัญญาเป็นอย่างนี้เราพรยายามที่จะเรียนรู้อันนี้คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่พระเจ้ายกย่องว่าเออใครสักคนในคนหนึ่งเนี่ยจะมาเป็นสงศ์สาวกของพระผู้มีพระภาคได้ด้วยด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้หรือว่าถ้าบางคนนะเขาจะมากราบอย่างนี้อย่างพระบวชใหม่คุณเตือนใจเขาบอกโอ้ oh, นี่กราบเลยกราบพระบวชใหม่ออกมาจากอุโบสถแล้วถามว่าคุณกราบอะไรกกก็บบอว่ารารรพะเหละเหลลืืออองงพเ ถ้าเหลืองมีสาวชิงช้ า, ามีเยอะแยะคุณเตือนใจไปซื้อมากราบสักพันครั้งก็ได้นึกออกไหะประเด็นตรงนี้คืออะไ ร, ค, ร, ะไรคุณกราบอะไรคุณกราบอะไรคุณทําความเคารพอะไรนึกออกไหมสิ่งที่คุณต้องควรทําความเคารพควรทําอัญเชลีควรนอบน้อมควรสรรเสริญยกย่องเนี่ยคือการที่เขาปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเพื่อรู้ทําเป็นเรื่องออกจากทุกในสมมติพระบวชใหม่ออกมาจากอุโบสถเลยพระป้ายแดงเลยคุณเตือนใจออกมาแล้วเนี่ย เขามีคุณสมบัติอะไรที่เราควรจะกราบไหมอย่างอย่างเอานี้เอาเปรียบเทียบใหม่<อ>ๆนะเปรียบเท<อ>ียบกันใหม่ๆกับเด็กคลอดใหม่เด็กคลอดใหม่ออกจากคันมารดาโผล่ออกมาจากคันมารดาเนี่ยก็ไม่ผิดศีลนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่โกหกด้วยพูดก็ยังไม่ได้น้ำเมานี่ไม่ต้องพูดถึงอูแวอูแวหลังจากที่เขาเรียกอะไรหมอนะเขาดูดน้ำคล้ำออกจากปากใช่ นะไม่ผิดข้อไหน <c oughs> ด้วยซ้ําแล้วถ้าเอาผ้าเหลืองมาห่มก็แทนที่จะผ้าคนุนเอาผ้าเหลืองมาห่มก็ก็เป็นพระเหมือนกันไหมเ <c oughs> นือ้อไหม <c oughs> ไม่เป็นเจ้าค่ะทําไมถึงเป็นอย่างนั้น <c oughs> นี่เราต้องมาวิเคราะห์นื้อไหมคุณเดินใจเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าการที่เขาเนี่ยบุคคลที่สมมุติพระบวชใหม่อย่างเงี้ยพระใบแดงมาอย่างเงี้ยอที่เราควรจะต้องกราบเนี่ยคือการตั้งใจในการที่จะรักษาศีล อาตมาจะยกตัวอย่างให้เปรียบเทียบอีกกรณีหนึ่งนะสกรณีกรณีแรกคือพระป้ายแดงออกมาจากโบสใหม่ๆกรณีที่2คื อ, อเด็กทารกเพิ่งออกจากคันมานด า, าใหม่ๆอุแวะอแวะอยู่ในกรณีที่3นักโทษติดคุกนะเพราะว่าทําฆาตกรรมเป็นฆาตกรแต่ว่าจิตเนี่ยมีคิดที่จะฆ่าคิดที่จะรักอยู่ตลอดเวลาแต่ยังไม่ได้ฆ่าใครยังไม่ได้รักใครตอนที่อยู่ในคุกแต่ถ้ามีโอกาสนะีมันจะโกถ้ามีโอกาสมันจะรักขโมยถ้ามีโอกาสฆ่ามันจะฆ่านะคน คนที่หนเนี่ยคือพระสงฆ์ป้ายแดงเนี่ยนะก็ก็มีคุณสมบัติที่เรียกว่าเขาจะตั้งใจในการที่จะรักษาศีล น, นะคืออย่างน้อยปาราชิก4ีเนี่ยไม่มีการผิดนะคือไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่ขโมยของไม่อวดคุณวิเศษแล้วก็ไม่ฆ่ามนุษย์นะด้วยการตั้งใจที่จะทำถามว่าสอย่างนี้เนี่ยนะ <c oughs> เด็กทารกก็มีนะเด็กทารกก็ไม่ขโมยของอไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่ฆ่ามนุษย์แล้วก็ไม่อวดคุณวิเศษที่มีในตนเด็กทารกก็มี นะคือมีคุณสมบัตินี้อ่ะแต่ว่าความตั้งใจตรงนี้ต่างหากที่เราจะนับถือนะบุคคลในบุคคลหนึ่งห น, นามาไม่รู้เรื่องรู้ราวมาพอศึกษาคําสอนของพระเจ้าแล้วฉันมีความตั้งใจว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ฉันจะไม่ลักทรัพย์ไม่เบื่อผิดในการมนะสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ความตั้งใจตรงนี้แหละคุณเตือนใจที่เราควรจะนับถือซึ่งเด็กทารกเขาไม่มีไง เด็กทารกที่ก็ออกจากคันมันดาใหม่ๆจะไม่มีความตั้งใจตรงนี้แค่ว่าสว่างมืดหรือว่าแม่พ่ออะไรเขายังพูดไม่ได้เลยด้วยซ้ำแเพราะนั้นความตั้งใจตรงนี้ยังไม่มีเราจึงต้องคอยประคบประงมเลี้ยงดูเขาใช่แต่ในขณะที่บุคคลที่รู้เดียงสาแล้วรู้ถูกรู้ผิดแล้วใช่ไหมมีฮิริโอตั ป, ปะเนี่ยมารู้คำสง่งพระเจ้าแล้วมีความตั้งใจในการที่ฉันจะออกจากกาม ในในการละความชั่วทําความดีทําจิตให้บริสุทธิ์ตั้งใจในการศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเป็นห ล, หลายพันข้อของพระภิกษุเนี่ยความตั้งใจตรงนี้แหละนะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถ้าจะไปเปรียบเทียบกับนักโทติดคุกนะก็จะเหมือนกันประตอนที่เขาติดคุกอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ละไม่ได้ฆ่ามนุษย์ไม่ได้ อ, อุคุณในวิเศษพูดกับใครก็ไม่ได้พูดนะของก็ไม่หายแล้วก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เพรอยู่คนเดียวแต่เขาไม่มีความตั้งใจตรงนี้ไง จิตเขาเนี่ยจะคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าฉันมีโอกาสเมื่อไหร่ฉันจะขโมยเขาไม่มีความตั้งใจในการที่จะเละเว้นจากการขโมยเพราะนั้นจึงไม่เป็นบุคคลที่ควรบูชาเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะบูชาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยคุณต้องดูที่เหตุให้มันเหมาะสมอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนะเพราะฉะนั้นการบูชาเนี่ยแทนที่จะบูชาด้วยสิ่งที่บุคคล น, นั้นมีเป็นสิ่งที่เป็นอามิตรนะอย่างเช่นว่ารูปงามเสียงไพเราะเรลงต่างๆ ก็ควรจะมาบูชาในสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปนะเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ชี้นําคือเรื่องของการปฏิบัติของบุคคลนั้นเนาะอีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่จะมาพ บ, พ, บพระสงฆ์อย่างเงี้ยคือถ้าจะมาพบแล้วก็มากราบเฉยๆเนี่ยนะอาจมาคิดว่าอย่างนี้คือการบูชาเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถึงแม้อยู่ไกลสักร้อยโยชนนะบุคคลที่อยู่ไกลจากพระพุทธเจ้าร้อยโยชนีน่ มาเปรียบเทียบกับบุคคลที่อยู่ใกล้กับเราคืออยู่ติดกันเลยชายสังกตินี้ติดๆกันเลยนะแต่ถ้าบุคคลที่อยู่ติดกับเราเนี่ยแต่ว่าคิดชั่วนะไม่มีจิตไม่เป็นสมาธิมีจิตสัตว์สายหมุนใบผิดมีนิวรมีความคิดที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลนะเป็นคนใจหยาบบาปช้าถึงแม้จะอยู่ใกล้เรานะก็อยู่ไกลถึงแม้จะอยู่ใกล้เอาจุดทู่กราบแทบเท้านะก็ชื่อว่ายัางไม่ได้บูชา นะในขณะที่คนที่อยู่กล้แสนกลยเป็นร้อยร้อยโยตเนี่ยแต่ถ้าจิตไม่สัดใสไม่หมุนไปผิดไม่มีนิวรณเป็นจิตที่เป็นหนึ่งตั้งมั่นนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ต้องเอาอะไรมาไม่ต้องเอาขอมาก็ได้นะไม่ต้องจุดทูปก็ได้ไม่ต้องกราบก็ได้นั่งอยู่เฉยเฉยระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนั้นนะชื่อว่าบูชาแล้วนะ เพราะนั้นคนคที่ฟังรายการอยู่เนี่ยถ้าคุณไม่ได้มานะี่ยไม่เป็นไรคุณต้องการจะมากราบอาตมาเฉยใช่ไหมหรือมากราบหลวงพอ่อเฉยหรือจะไปกราบกูบาอาจารย์องค์ไหนเฉยถ้าแค่จะไปกราบเฉยนะกราบอยู่บ้านก็ได้นั้นแล้วทําจิตให้เป็นอย่างนี้ชื่อว่าบูชาแล้วอืมอืมจบค่ะอะ่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้มานะอันนี้มันจะมีระย ะ, <ช>ะมันจะมีเออจะมีระยะตรงนี้อีกว่าพระเจ้าพูดถึงว่าภิกษุ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคุณตนใจถ้าเผื่อว่าเป็นผู้ที่จิตเนี่ยปราะศะจากกามปราศจากความพยาบาทปราะศะจากความคิดเบียดเบียนเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะต้องเดินทางไกลเป็นหลายๆร้อยโยศถึงขนาดว่าต้องห อ, อ ก, กับข้าวไปกินระหว่างทางแล้วเพื่อจะไปพบไปเจอเนี่ยนะก็ควรจะต้องไปพบไปเจออืมเพราะว่าเป็นบุคคลที่ยากที่จะจะพบเจอคนที่มีจิตแบบเนี้ยเป็นบุคคลที่ยากที่จะพบเจอแต่เจอแล้วก็ไม่ใช่ว่า เจอแล้วก็ยิ้มแล้วก็ฮัลโหลแล้วก็บายบายแล้วเข้าไปแต่จะไม่ใช่อย่างนั้นแต่คุณจะสนทนาธรรมอ่าใช่นี่คือประเด็นมาแล้วคุณมาถามใช่มาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการพูดคุยนะสอบถามปัญหาธรรมะที่คุณพระพุทธเจ้าได้พูดไว้อีกสูตรหนึ่งตรงนี้มีสามประสูตรต้องรวมกันให้ดีนะประสูตรแรกเนี่ยพรุทธเจ้าบอกว่าเอออยู่ที่ไหนคุณก็บูชาได้จะไกลแค่ไหนก็บูชาได้ในขณะเดียวกันเราก็ มาพิจรารัยอีกพระสุตที่2ที่พระเจ้าพูดถึงว่าเออบุคคลที่มีจิตไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มเบียดเบียนเนี่ยต่อให้อยู่ไกลเป็นหลายร้อยโยชนี่ก็ถ้าต้องเดินทางถึงขณะดห่อข้าไปด้วยก็ควรจะเดินทางไปเพื่อไปพบไปเห็นนะแล้วก็มีพระสุรตรที่สามนะบอกว่าบุคคลใดที่มีศรัทธาเนี่ยไปเห็นแล้วไปพบแล้วเนี่ยคือเข้าไปหาแล้วก็ควรจะเข้าไปนั่งไกลเข้าไปนั่งไกล้แล้วก็เงียบสวดลงสดับฟังธรรมเมื่อเงียบสวดลงสดับฟังธรรมแล้วก็จะได้ฟังธรรม พอฟังทำแล้วเนี่ยก็มาใคร่ครวรซึ่งธรรมนั้นจําให้ได้จําให้ได้ใครครวรได้แล้วเนี่ยธรรมนั้นก็จะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วเราก็สามารถมีชันทะมีความเพียรแลเราก็ตั้งตนไว้ในธรรมนั้นจะทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้นี่คือจุดประสงค์ <Okay. S 1> ตรงนี้มันคือมุมที่ว่าถ้าคุณไปหานะคุณควรจะต้องไปสอบถามปัญหาธรรมะนะหรือว่าฟังธรรมะจากท่าน ฟังเสร็จแล้วคุณออกมาให้ใครกรวนทำนั้นเป็นของลึกซึ้งเราจำได้ปฏิบัติตามนั่นแหละจะถึงได้ประโยชน์อย่างมากๆที่สุดเลยทีนี้มันก็ จ, จะมีอีกประเด็นหนึ่งนะมีคารวะแถวๆเนี้ยเขาก็บอกว่าในย่านหนองหารเนี่ยจังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งโอ้มีชื่อเสียงมากเลยมาหลบมาจำพรรษาอยู่แถวนี้เพราะว่าท่านมารักษาตัวว่าไปเราไปกราบท่านกันอาตมาก็มาคิดว่าเฮ้ย ถ้าท่านมารักษาตัวป่วยอยู่เนี่ยเราจะไปกวนท่านทำไมวะให้ท่านรักษาตัวสบายๆดีกว่าเนื่นเพราะว่าถ้าเราไปกวนเนี่ยก็จะคือฟังธรรมเนี่ยเราอยู่ที่นี่เราก็ชื่อว่าบูชาแล้วนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบุคคลแบบนี้ใช่เป็นบุคคลที่ควรพบเห็นจริงแล้วถ้าท่านสามารถแสดงธรรมได้เรารับฟังธรรมท่านได้เนี่ยก็เป็นการดีที่จะไปพบไปเห็นนะแต่ถ้าไปแล้วมันจะกวนกันอย่างเงี้ยก็ชื่อว่า ให้บูชาอยู่ข้างนอกก็ได้นี้ก็จะเป็นอีกแง่งมุมหนึ่งสําหรับบุคคลที่คิดว่าเออจะไปหาค ร, าารูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่ดีสามารถทําได้ก็ให้โดยมีรายละเอียดอย่างนี้นะถึงทีเรียกว่าบูชาตามธรรมะที่พระเจ้าสอนจริงๆเจ้าค่ะทีนี้แล้วสําหรับในกรณีที่อาจจะมียาโยมที่โดยทั่วไปนะเจ้าคะ่ะอย่างเช่นว่าพอเห็นพระอาจารย์เทศ อย่างตอนที่โยมไปปฏิบัติธรรมองี้เจ้าค่ะหลังจากที่เปิดวาจาแล้วนะเจ้าค่ะก็จะมีการให้แต่ละคนเรียกว่าแสดงความประทับใจคนมาแสดงความประทับใจเจ้าค่ะว่ามาครั้งนี้ได้ปฏิบัติรับเป็นยังไงบ้างประทับใจอะไรต่อวัดบ้างซึ่งโยมคิดว่าการที่เปิดวาจาแล้วก็พระอาจารและอะพระเด็จฤาษีหลวงพอ่อฤาสะอาดให้พูดอย่างเนี้ยก็เนื่องจากว่า ยมคิดเองนะเจ้าคะว่าท่านก็คงอยากจะได้ข้อมูลที่จะปรับปรุงให้หลักสูตรเนี่ยดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นเหมือนกับการาาวิจัยผู้ฟังผู้ปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่มันเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราหลีกเล้นมาพอเป็นระยะระยะสักช่วงหนึ่งเนี่ยถ้าเราได้พูดได้แสดงความเห็นเนี่ยมันจะทําให้จิตของเราเนี่ยคือมันจะต้องเตรียมการป้องกันสําหรับไปเจอสิ่งภายนอกเพราะสิ่งภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อที่ไม่ได้รับการควบคุมเหมือนอยู่ในวัด เพราะนั้นถ้าเขาไ ด, ด้พูดสิ่งที่เขารู้สึกหรือว่าได้ฟังคนอื่นเขาพูดเนี่ยการสื่อสารตรงนี้จะคอยปรับจิตปรับจิตเรานะี่ไม่ให้ไปกระเทือนมากเวลาไปอยู่ข้างนอกจะได้ไม่เป็นตัวแปลกๆปลกประหลาดเวลาไปอยู่ข้างนอกนะนี่คือจุดประสงค์เ <c oughs> จ้าค่ะเจ้าค่ะอ๋อเจ้าค่ะโยมคิดว่าเป็นการอ่ะอันนั้นเป็นจุดประสงค์ของทางวัดะนะเจ้าค่ะ <c oughs> แต่โยมคิดว่ามองในแง่ของการประชาสัมพันธ์โยมคิดว่าก็เป็นอันหนึ่งที่เราเขาเรียกว่าภาษา อของทางด้านของสื่อสารนี่เขาบอกเป็น audience research ก็คือการวิจัยผู้ฟังอะไรว่าผู้รับบริการอะไรทำนองนี้แล้วค่ะต่นิยมก็จำได้ว่ามีอยู่มีอยู่น้องอยู่ท่านหนึ่งซึ่งเขาอาจจะยังเด็กอยู่เป็นวัยรุ่นก็มาได้ฟังพระอาจารย์ก็บอกว่าแหม่เสียงพระอาจารย์เพราะมากเลย นะเจ้าค่ะแล้วก็เห็นเห็นรูปพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าสวยงามหล่อมากอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะท่นี้ถ้าเผื่เขาเกิดนึกอย่างนี้เจ้าค่ะโยมถามแบบพื้นๆนะเจ้าค่ะว่าถ้าเกิดมีโยมคิดแบบนี้เนี่ยเขาจะจะบาปไหมเจ้าค่ะแต่คนพูดก็ก็คงนึกอยู่ว่าตัวเองก็คงจะบาปละเพราะว่าไปแบบพูดจาเหมือนกับล่วงเกินสงแบบนั้นนะเจ้าค่ะโยมอยากจะขอถามประเด็นนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะคือพูดถึงเรื่องความคิดนะถ้าความคิดใดเนี่ยเป็นไปทางกาม าการเนี่ยพูดถึงความเพลิดเพลินกำหนัดลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างพอนะตาหูจมูกลิ้นกายนะกายอย่างเช่นสมมุติว่าจะมาเอามือไปสัมผัสจีวรของเราเองเนี่ยนะเรารู้สึกวแบบ่าโอ้มันนุ่มมันเนื้อละเอียดแหมมันเป็นของประณีตจริงๆเรากำหนัดเพลิดเพลินในสิ่งนั้นนะแต่อันนี้ผิดหรือว่าเสียงเราได้ยินเสีย ง, <c oughs> ง ค, คนพูด นะเสียงนกร้องเสียงใบไม้ไหวอยู่ในป่าเนี่ย ม, มันช่างน่ารื่นเริงบรรเทิงใจแต่ผิดนะเราเห็นรูปนะรูปสักอันใดอันหนึ่งสวยสดงดงามเลยโอ้โหอันนี้ปั้นนี่อย่างนี้เข้าตาแล้วเรากำหนัดลุ่มหลงเพลิดเพลินในสิ่งนั้นนะเราผิดนะอันนี้คือกามกอไก่สระอามอมา้านะี่ยคือการเจ็บกามความกำหนัดเพื่นเพลินรุ่มหลงยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ยังไม่ถูก ทีนี้มันจะมีสิ่งที่ <Okay. S 1> ละเอียดกว่านั้นลงไปสําหรับผู้ปฏิบัปธรรมนะคือบางทีเนี่ยเรามีปีติและสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมอย่างเราไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศหรือว่าไปชายทะเลบางคนชอบภูเขาก็ไปภูเขาอย่างเงี้ยสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นเนี่ยจะทําให้เรามีความสบายใจนะบางคนไปพักผ่อนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะนั่นเนะน่ยนะคือปีติสุขที่เกิดจากสิ่งภายนอกใช่ไหมปีติสุขอันเนี้ยเป็นอามิ t นะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ตามาล่อหูมาล่ออย่างบางคนฟังธรรมะโอ้ oh, พระอาจารย์องค์นี้เสียงเพราะจังเลยแล้วฟังไปเพราะว่าความที่ท่านเสียงเพราะอันนี้คือจะมีปีติสุขในภายในที่เกิดจะเอาหูมาล่อเอาเสียงมาล่อใช่ไหมทีนี้มันเป็นอย่างนี้ว่าพอฟังไปฟังไปเนี่ยคุณมีปีติสุขปีติสุขตรงเนี้ยนะถ้าเผื่อว่าเราเปลี่ยนให้มันวางได้เราวางจากสิ่งภายนอกได้วางหูได้วางตาเราได้นั้นะแล้วเหลือแต่ปีติสุขอย่างเดียวอันเป็นภายในอันนี้ดีมาก นีคือบางคนอาจจะชอบฟังดนตรีคลาสสิกนดนตรีสมัยก่อนอย่างเงี้ยที่เป็นเพลงบรรเลงอะไรต่างๆแล้วพอฟังไปสักพักหนึ่งจิตเราเริ่มสงบแล้วเราปิดซะปิดซ่แล้วก็ทําจิตอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องพึ่งอะไรอันนี้จะดีมากในบางคนฟังธรรมะแล้วโอ้โหเสียงพราะพระพรึ่งอย่างนั้นไปก็ว่าไปนะฟังไปฟังไปจิตสงบลงสงบลงแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ยินอะไรเลยเนะหรือแต่จิตของชั้นอย่างเดียวอันนี้จะดีมาก นะหรือว่าบางคนมาอยู่ในป่าอย่างเงี้ยเสยนนสนะอันสงัดแล้วก็เงียบเชียบนะแล้วก็ทําให้จิตของเราอยู่นิ่งได้อันนี้ก็จะเป็นการดีมากามันก็จะมีที่ละเอียดลงไปนะขึ้นตัวใจนี่ของเนาะเจ้าค่ะคือพอเราปฏิบัติแล้วแล้วก็เข้าถึงจริงๆนี้ก็จะทําให้มีความสงบ ม, มีสติจากภายในถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องแล้วคนที่เขาฝึกไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยเขาจะไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกได้มากไม่ต้องพึ่งอาจารย์องค์ไหน ไม่ต้องพึ่งสถานที่ที่ไหนนะคุณค่อยๆฝึกไปเอาคุณมีศรัทธานในอาจารย์องค์นี้ใช่ไหมเอาคุณฟังธรรมของท่านไปฟังไปฟังไปคุณจนคุณศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระ ส, สงฆ์แล้วเนี่ยคุณก็มีอาจารย์หรือไม่มีก็ได้อาตามาก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ไปตลอดไม่มีพระองค์ไหนก็อยู่ไปตลอดก็ตายเหมือนกันเอาท่านตายไปแล้วทํำยังไงไอเทปที่ท่านอัดไว้มันก็เสื่อมไปได้พังได้เแล้วถ้าไม่มี RP, แล้วทำยังไงอาจารย์จะอยู่ยังไงอยู่ได้แต่มันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอน พอเราฝึกไปฝึกไปเนี่ยแล้วเราก็ให้พึ่งตัวเองให้พึ่งธรรมะอย่างจะถูกแต่เวลาจะสรรเสริญผู้ใดผู้หนึ่งอย่างเงี้ยอย่างสมมตุติเราจะยกย่องหัวหน้าของเราอย่างเงี้ยเราควรจะยกย่องด้วยคุณธรรมที่ท่านมีอย่เช่นว่าเป็นคนมีความเป็นผู้นำเป็นคนมีใจ<ม>อบอ้อมอารีมีความเมตตามีวิสัยทัศน์อย่างเงี้ยนะแล้วเรายกย่องท่านด้วยคุณธรรมข้อนี้ถึงจะดีไม่ใช่ว่ายกย่องท่านด้วยที่ว่าแหมเลื่อนตำแหน่งฉนะันหน่อยนะเพิ่มเงินเดือนหน่อยนะอันนี้ยังเป็นทางกาม เพราะนั้นเราจะยกย่องบุคคลใดนะจะใช้เหตุผลในการบูชายอย่างไรพวกนี้พระเจ้าสอนไว้หมดถ้าเราปฏิบัติตามนั้นเนี่ยจิตของเราจะค่อยๆละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปขึ้นไปเนาะการมาพบภิกษุสงฆ์ก็ให้พบในตามเหตุปัจจัยในลักษณะอย่างที่ว่ามานี้นะคือเรื่องของการปฏิบัตินะคุยธรรมะนะเราก็ถ้ามาแล้วได้สบรรับถามธรรมะุยธมก็จะเป็นการดีชุก่ะ แต่ถ้ามาคุยเล่นเฉยๆเพราะอยากจะไม่เห็นหน้าพระราชนี่ก็ไม่ค่อยถูกใช่ไหมเจ้าคะก็ดูตลกก็ได้ดูตลกจะบันเทิงกว่าค่ะนี่ก็เป็นแง่คิดที่ดีมากเลยนะเจ้าคะเมื่อสักครู่โยมถามถึงว่าถ้าเปิดเกิดมีเด็กๆที่ว่าโอเคละกําลังจะเริ่มที่จะมาสนใจทางธรรมะนะเจ้าค่ะอันนี้จะเป็นอุบายอันหนึ่งไหมเจ้าค่ะที่จะดึงให้เด็กๆพวกนี้เข้ามาสนใจก็เนื่องจากองค์ป่าทุกหรือว่า ท่านผู้สอนเนี่ยค่ะมีเจ้าค่ะมะีเทคนิคในการที่จะทําให้ธรรมะรู้สึกว่าเป็นเรื่องสนุกสนานก็อาจจะมีะบางรูปนะเจ้าค่ะที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยท่านก็อาจจะใช้เทคนิคของการที่มีนำํำสิ่งในชีวิตประจําวันเนะ่ยเจ้าค่ะมาผูกเป็นเรื่องให้เป็นเรื่องตลกหัวอย่างนี้ mm hmm. อันนี้ถือว่าถูกต้องตามพระธรรมวินัย ไ, ไหมเจ้าค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ พ่อแบบเด็กๆพวกนี้เขาก็จะชอบใช่เจ้าคะถ้า mm hmm. ชอบแบบนีนะ้ถือว่าเป็นการเข้าถึงธรรมะของผู้เฒ่าองค์ไหมเจ้าค ะ, ะมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะเอาดูอย่างพระพุทธเจ้าดีกว่าบางคนที่มาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพราะว่าความที่พระพุทธเจ้ารูปงามนมีหลายหคนผู้ชายเองก็มาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าหลอก็มีหรือว่าบางองค์มาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ มีชื่อเสียงกระจรไปว่าเป็นผู้ที่มีเสียงเหมือนพระมอย่างนี้ก็มีนะเราก็มาฟังมาดูว่าโอ้เป็นยังไงจึงเข้ามาหามาเข้าเข้ามานั่งใกล้พอเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้แล้วก็ดูซิว่าท่านผู้นี้จะพูดอะไรปรากฏสิ่งที่พูดออกมามีแต่ธรรมะทั้งนั้นเลยนะพะมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเลยแล้วท่านก็บุคคลเหานั้นก็น้อมจิตไปตามก็ทําให้ตัวเองเป็นพระอาหารหันต์ได้บรรลุได้นะเพราะฉะนั้นบุคคลที่ยังอาศัยการมในการที่จะมาเข้าหาธรรมะเนี่ยก็ยังมีอยู่ นะทีนี้พอมาแล้วแล้วทํำยังไงผูนะ้เชี่ยวก็จะต้องแสดงธรรมให้เขาเหล่านั้นเนี่ยออกจากกรรมนะคื อ, คอหมายความว่า <Okay. S 1> พอเราพูดถึงเรื่องการมเนี่ยเขายังลุ่มหลงกรรมอยู่ใช่ไหมก็ต้องแสดงธรรมเพื่อหลีกออกจากกรรมนะหลีกออกจากความพอใจในสิ่งเหล่านี้ถ้าสิ่งที่บุคคล น, นั้นแสดงเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อออกจากกรรมนะไม่ให้มาลุ่มหลงมากอย่างเงี้ยสลัดออกทวนกระแสนะแล้วก็สลัดคืนเนี่ยเป็นไปในสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับลักษณะของดาบสองคมนะกรรมคุณน่ะพระเชาพูดถึงว่าเป็นสิ่งที่มีคุณน้อยแต่มีโทษมากคุณมันก็มีนะคือตรงที่ว่ามันทําให้เราเข้ามาได้โทษมันก็มีคือถ้าเราไปกําหนัดลุ่มหลงยึดติดในมันเนี่ยเราจะเป็นทุกข์ของเราเองเสียงของผู้พูดเอ่ยมุกตลกต่างๆเอ่ยหรือว่ารูปที่คุณเห็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่งันตลอดถ้ามันมีการเปลี่ยนไปมันจืดลงหรือว่ารูปเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคุณจะทุกข์ เพราะเหตุนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมะแล้วเราฟังให้ลึกลึกถึงแก่นของธรรมะว่าอ๋อเป็นไปเพื่อการนําออกไอสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผิวเผิดแล้วต้องสละทิ้งแล้วเราปล่อยวางตรงนี้ได้นะเราจะเข้าถึงแก่นแท้ของธรรมะจะเป็นการดีมากๆเลยเจ้ค่ะแต่นั้นก็เป็นอาจจะเป็นกลวิธีที่ว่าจะทําให้อบรรดาเด็กๆและเยาวชน หรือว่าคนที่ไม่เคยได้เข้าถึงธรรมะของพุทธองค์นั้นก็อย่างน้อยก็เป็นทางหนึ่งที่จะทําให้เด็กๆพวกนี้หันมาสนใจเรื่องของธรรมะและก็ศาสนาการ น, นะเจ้าค่ะก็เราเหลือเวลาอยู่อีกหนึ่งนาทีนะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนได้มตตาที่จะสรุปท้ายการสนทนาหรือสักระชาของเราในเช้าวันเสาร์นี้เจ้าค่ะยินดีเจ้าค่ะท่านพานก็ประเด็นที่เราได้คุยกันวันนี้สรุปๆเลยก็คือการที่เราจะยกย่อง บูชาสการะนับถือบุคคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยควรจะเป็นเหตุปัจจัยในเรื่องการปฏิบัติในเรื่องที่เป็นไปในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่เหตุปัจจัยในเรื่องของกามคุณทั้ง5นะเช่นว่ า, ารูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ไม่เอาแต่การบูชาการยกย่องเคารพนับถือสการะเนี่ยควรเป็นไปในคุณธรรมของท่านนะว่าท่านนี้มีคุณธรรมอะไรศีลนะเป็นต้นสมาธิเป็นต้นนะจิตที่บริสุทธิ์เป็นต้นอย่างนี้ถึงจะถูกต้อง นะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับพระสงฆ์ยังรวมถึงมารดาบิดาครูบาอาจารย์เจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานทุกคนนะเราควรจะมองเขาในลักษณะแทนที่จะมองรูปภายนอกว่าสวยหลอ่อขี้ริว้วขี้เร่อะไรยังไงจบการศึกษาที่ไหนควรมองให้ลึกไปในกุณธรรมของเขานะเราจะเป็นผู้ที่มีความละเอียดลึกซึ้งในธรรมวินัยนี้แล้วก็จะทาให้เรามีความก้าวหน้าในธรรมวินัยได้ต่อไปจเจริดพรสาถุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะ เช้าวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะที่5พฤศจิกายนนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนนะคะซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาโซท่านเจ้าอาวาสวัดปาดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหาจงนจังหวัดอุดรธานีได้มาสนทนาธรรมหรือว่าสากาัะช้าในสิ่งที่เรียนคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียว น, นะคะแล้วก็ คงจะได้ให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทั้งบ้านหลายๆท่านโดยเฉพาะน้องๆที่เริ่มจะสนใจธรรมะโดยอาจจ ะ, ะเริ่มเข้าหาพระเจ้าอะไรต่างๆนะคะก็คงจะเป็นแง่คิดที่ดีทีเดียวเวลาวันนี้หมดลงแล้วนะคะคงจะต้องอาลาจากท่านผู้ฟังเพียงแค่นี้อยากขอรินเชิญพรุ่งนี้ตีห้าตื่นมาพบกันใหม่นะคะในรายการธรรมารา บ, บรุนนี้ค่ะสําหรับในเช้า ว, วันนี้เรามากราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ภับุญอภิปุโนพร้อมกันนะคะ กลับน้มัศการหลาเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขะเชิญผ่านสาธุเจ้าค่ะ